ก็แหละพระธรรมและพระสงฆ์ในพระศาสนานี้ชื่อว่าประเสริฐที่สุดกว่าพระธรรมและพระสงฆ์อื่นเหล่านั้นเพราะเป็นธรรมะและเป็นหมู่ที่มีคุณวิเศษในตัวเองนั่นแหละนะครับพระธรรมก็ความเป็นธรรมดีจริงๆพระสงฆ์ก็มีคุณงามความดีอยู่ในตัวจริงๆแต่สงในที่นี้ต้องหมายถึงสาวกของพระองค์นะครับอันหนึ่งพระธรรมและพระสงฆ์เหล่านั้น เป็นเหตุนำประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขมาให้ชนหมู่มากเพราะเป็นความเกิดขึ้นที่หาได้ยากและเป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์และมีสภาพไม่เป็นที่สองของใครและไม่มีสหายร่วมคิดเป็นต้นแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความปรากฏที่หาได้ยากเพราะธรรมะที่ล้ำเลิศอันใด แม้พระธรรมและพระสงฆ์ก็เป็นผู้มีความปรากฏที่หาได้ยากเพราะพระธรรมที่ล้ำเลิศอันนั้นนะครับแม้ในความเป็นอัจฉริยะเป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันนะครับคือพระธรรมนี่นะครับพระธรรมที่เรียกว่าล้ำเลิศเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเท่านั้นนะครับท่ะนิพพานเ น, นี่ยนะครับที่จะเปิดเผยให้ศาสตร์ทั้งหลายได้รับรู้ได้เห็นเนี่ยนะครับ ก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับพระนิพพานเนี่ยจึงจะเปิดเผยออกมาโดยที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชีป้ประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งพระนิพพานนั้นก็คืออริยมรรคอริยมรรคก็มีแนวทางคือไตรสิกขานะครับศีล ส, สมาธิและปัญญาทีนี้ไตรสิกขาที่จะบริบูรณ์ก็คือพระวินยัยพระสูตรและพระพิธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคําสอนในพระไตรปิฎกจึงเป็นไตรสิกขาเป็นการศึกษาเพื่ออริยมรรค อริยมรรคเนี่ยนะครับจึงจะเปิดประตูเข้าพระในผ่านได้นะครับถ้าไม่มีอริยมรรคซะอย่างนะครับไม่มีคําสอนในพระไตรปิฎกธรรมะเหล่านี้ก็ไม่มีใครเปิดได้อีกแล้วนะครับประตูแห่งอมตะนี้ก็ไม่มีใครเปิดอีกแล้วก็ต้องรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่นะครับจึงจะมาเปิดประตูเหล่านี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับความเลื่อมใสในสิ่งที่ล้ําเลิศคือสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดที่บรวร ได้แก่สิ่งที่วิเศษด้วยคุณอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอักขับปสาธาความเลื่อมใสในสิ่งที่ล้าเลิศนะครับแต่ความเลื่อมใสที่เป็นของล้าเลิศเพราะเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ล้าเลิศตามที่กล่าวแล้วในความหมายที่สองชื่อว่าเป็นความเลื่อมใสอันล้ําเลิศนะครับคือเลื่อมไหลในเลื่อมใสในพระตนตรายนั่นเองนะครับส่วนชนเหล่าใดดําเนินมาแล้วตามทางของพระเรือเจ้า มีความเลื่อมใสอย่างลงแล้วความเลื่อมใสเหล่านั้นเป็นความเลื่อมใสล้ำเลิศโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าอักขปสาธาดังที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอริยส า, าวกในพระาศาสนานี้เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างลงแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับ ในชั้นต้นนะครับบอกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นของเลิศจริงๆแล้วก็จะมีอย่างนึ่งความเลื่อมใสที่เลิศถามว่าความเลื่อมใสที่เลิศเนี่ยแค่ไหนครับความเลื่อมใสที่เป็นไปพร้อมกับโสดาปฏิมักนะครับเลื่อมใสระดับนั้นนะจึงจะชื่อว่าเลิศจริงๆนะจึงจะชื่อเรว่างเรื่องใสที่เลิศนะนะเอาเอาเอาเอาชั้นต้นก่อนนะสิ่งที่ถูกเลื่อมใสเนี่ยคือสิ่งที่เลิศ ถามว่าเลื่อมใสายแค่ไหนจริงกัเลื่อว่าเลื่อมสายล้าเลิศจริงๆก็เลื่อมสายระดับโสดาปฏิมร์โสดาปติพลนั่นแหะครับระดับภรรยาสาวกนั่นแหละจึงจะได้ความเลื่อมสายอันเลิศอันนี้ขึ้นอันหนึ่งความเลื่อมสายเหล่านี้เชื่อว่าเป็นความเลื่อมใสายล้าเลิศเพราะมีผลล้ําเลิศบ้างสมจริงนังที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ว่า ก็เมื่อบุคคลเลื่อมสายในสิ่งที่เลิศแล้วผลเลิศ ก, ก็จะมีนะครับผลอันเลิศคืออะไรครับเช่นโสดาปฏิผลอันนี้ล้าเลิศจริงๆอันนี้ถ้ากล่าวแบบสูงสุดยอดนะครับทีนี้ถ้ากล่าวแบบต่าลงมากว่านั้นแหะก็มหากุศลที่มีคุณของพระตนตรายเป็นอารมณ์นี่นะครับเลื่อมสายมหากุศลอันนั้นก็มีผลมหาศาล น, นะครับถามว่ามีผลขนาดไหนมีผลมากกว่าสังฆทานที่ถวายแก่ ทงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะครับมีผลมากกว่าให้เสนาสนะทานแก่สงที่มาจากทิศ ท, ทั้งสี่นะครับถ้าหากว่ามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนะตรายจริงๆนะครับจนถึงก็เรียกว่าเอาพระรัตนตรายเนี่ยเป็นสรารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตเหล่านี้แด่พระรัตนตรายเนี่ยมีผลมากกว่ามากกว่าถวายวิหารทานนะครับเพราะฉะนั้นเอาศรัทธาของเรานี่แหละประกันในในความเลื่อมใสนะ เราไม่ต้องให้ใครมารับรองตัวเราหรอกครับเอาศรัทธาที่มีอยู่ต่อคุณของพระัตนตรายนี่แหละรับรองตัวเราเองทีนี้ถ้าจะกล่าวอย่างนี้เราก็ต้องมาไล่ว่าเอ้ยเราเลื่อมสพระพุทธเจ้าส่วนไหนบ้างนะครับเลื่อมสายหมดเลยเลื่อมใสายตรงไหนอ่ะไม่รู้ <c oughs> แต่อย่างนี้ก็เสียหายเลยนะครับบางทีผมก็ถามถามพระพุทธเจ้านี้ดีจริงไหมจริงหูดีที่สุดในโลก <c oughs> ดีตรงไหนเงีย <c> บ <oughs> รู้แต่ว่าดีอะดีอย่างถ้าพูดว่าดีดีเฉยเอย่างไงนะก็ไม่ต่างอะไรจากในพระสูตรที่ที่พระองค์ตรัสกับพราหมคนหนึ่งนะเขาบอกว่า oh, โอ้โหมีนะไอท้ทีโลดดีจริงๆรงว่างี้ยงามมากว่างี้นเขาบอกว่าไอ้ที่ว่างามเนี่ยเป็นยังไงก็ถามไปแต่งามจริงๆรนะว่างี้ยนะดีจริงๆเลยเขาพูดแต่ดีดีงามงามยางไงก็เหมือนกับใครสักคนหนึ่งมาพูดถึงนางสาวชนบทกาลยานีบ้านโนนเนี่ยงามมาก ก็าถามว่าบ้านไหนล่ะตอบไม่ได้แต่ ง, งามนะสวยมากอายุเท่าไหร่ตอบไม่ได้ลูกใครฐานะเป็นอยู่ตอบไม่ได้สักอย่างเลยรู้ว่าดีๆอย่างเดียวอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเราจะให้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะถามว่าพระองค์ดีดีอะไรดีด้วยพระคุณทั้งหลายพระคุณของพระองค์คืออะไรอรหันตแต่คุณเป็นต้นนะครับอรหันต์สัมมาสัมพุโทโธวิชาวจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูเออรหังนี่เป็นยังไงไกลาจากกิเลสไกลาจากกิเลสเนี่ยไกล ย, ยังไงนะครับ อ๋อไกลาจากกิเลสเนี่ยนะครับพร้อมทั้งวาสนาแต่ไกลด้วยอํานาจอริยมรรคนะครับอรหันต์เพราะกําจัดข้าสึกคือกิเลสเป็นต้นอ่าแล้วสัมมาสามัมพุโทโธนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องร่ำเรียนคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้รู้ว่าโอ้โหสมกับคนเลื่อมใสหน่อยนะครับรู้จักดีนะแต่ไม่ว่าเขาว่าดีอ่ะเขาว่าไปกับเขาอ่านพระไตรปิฎกเขาว่ า, อ า, า, ว า, วาโอ้ยนับถือแล้วจะได้อ น, นี้สงเยอะเอามั่งไม่ใช่อย่างนั้นนะอยากได้อ น, นี้สงก็เลยเอาลงขันด้วยหน่อยยนะังไงโดยที่ไม่รู้คุณเลยนะครับ ได้เพราะฉะนั้นไอ้เริ่อมสายแบบนั้นเนี่ยถ้ามีใครมาบอกพระพูทสัเจ้าไม่ดีจริงไม่แน่อาจจะเลืิกก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ทราบซึ้งในคุณของพระ อ, องค์จริงๆเพราะฉะนั้นควรที่จะศึกษาคุณของพระ อ, องค์ให้ถ่องแท้ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ทีนี้เริ่มขยายอัตถกถาที่อธิบายว่า สัตว์ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากมีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีประมาณเท่าใดพระธราคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ประมาณเท่านั้นนะครับก็เริ่มขยายนะครับว่าขยายวาสศพก่อนนะครับวาสศพผมไม่อ่านนะครับ ที่บอกว่าสัตว์มีสัตว์ทั้งที่ไม่มีเท้ามีสองเท้าเป็นต้นเนี่ยนะครับสัตว์ที่มีรูปสัตว์ที่ไม่มีรูปหรือว่าแม้กระทั่งเนวสัญญานาสัญญายาตนาสัตว์เขาบอกว่าด้วยถ้อยคําที่กล่าวไปนี่นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นทธรรมราชาทรงแสดงเท้าความถึงพบทั้งเก้านะครับคือแสดงเท้าความถึงพบทั้ง9ง้ า, า 9, โดยไม่มีเหลือคือการมาพบ หนะครับรูปประพบอรูปประพบนะครับเอกโวการะพบเจตโวการะพบแล้วก็ปัญจโวการะพบสัญยีพบอสันญีพบเนวสัญญีนาสันญีพบนะครับถ้าเทียบสัตว์ทั้งหลายในบรรดาการมาพบนะครับนับตั้งแต่เวจีนรกขึ้นมาจนถึงปรินิมมิตวัตสวัตดีพระพุทธเจ้าก็เลิศกว่าในการมาพบทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนะครับถ้าพูดในรูปประพบตั้งแต่พรหมปริสัชชานะครับจนถึงพรหมชั้นอกติฐา พระพุทธเจ้าก็เลิศกว่าพรหมทั้งหมดเหล่านี้ถ้าพูดอารูประพรหมนะครับตั้งแต่อากาสารัญญาตนะจนถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนะพระองค์ก็เลิศกว่าอารูประพรหมเหล่านั้นทั้งหมดนะครับหรือจะพูดเอกโวการภพบนะครับพบที่มีแต่รูปขันพระองค์ก็เลิศกว่านะครับถ้ากล่าวถึงจตุโวการภพบนะครับคืออารูปขันทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ก็เลิศกว่าหรือว่าปัญจโวการภพบนะครับพบที่มีขันห้า พงศ์ก็เลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งัดทั้หมดเหล่านั้นอีกนะครับถ้าพูดถึงสัญยีภพภพที่มีสัญญานะครับภพที่มีจิตพระองค์ก็เลิศกว่าอาสันญีภพพงค์ก็เลิศกว่าหรือแม้กระทั่งเนวสัญญีนาสัญญีได้แก่ชั้นเนวสัญญาเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลิศกว่าสัรพสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นอธิบายว่าบรรดาภพทั้ง9้านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกามมภบรูปประภพ ปัญจโวการภพเอกโวการภพด้วยคําว่ารูปสัตว์แสดงอรูปภพจตุโวการภพไว้ด้วยอรู ป, ปสัตว์นะครับส่วนสัญญภพเป็นต้นแสดงไว้โดยสรุปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงถึงว่าพระองค์เนี่ยเลิศกว่าสัตว์ทั้งหมดในภพเก้นะครับในภพเก้านี่นะไม่มีใครจะเลิศกว่าพระองค์อีกแล้วนะครับถ้าจะเปรียบเทียบถึงในอดีตการทั้งหลายแหล่ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะเสมอกันหรือที่จะมีในอนาคตต่อไปก็จะมีพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นที่เสมอกันทีนี้ถามว่าเหตุไงในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงทําการหมายเอาสัตว์ไม่มีเท้าเป็นต้นโดยไปทรงหมายเอาสัตว์สองเท้าเท่านั้นว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายเหมือนในอัตุติยาสูตรนะครับคือในสูตรที่ว่าด้วยบุคคลเอกไม่เป็นที่สองของใครเนี่ยนะครับ แต่ทรงหมายเอาสัตว์ไม่มีเท้าเป็นต้นนะครับจะกล่าวตอบในอธุตยสูตรเนี่ยนะครับก่อนว่าพระองค์นี้ทรงหมายเอาสัตว์สองเท้าเท่านั้นด้วยอํานาจที่เป็นผู้ประเสริฐกว่าก็บอกว่าบุคคลผู้เชื่อว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อจะอุบัติในโลกนี้จะไม่อุบัติเกิดในจําพวกสัตว์ไม่มีเท้านะครับขอคนเลิศเนี่ยจะไม่มาเกิดเป็นงูเป็นปลาที่ไม่มีเท้าอะไรนะ หรือมีสี่เท้านี่ยนะมาเป็นสัตว์สี่เท้าเนี่นะครับเป็นช้างเป็นวัวเป็นต้นไม่ใช่หรือมีเท้ามากเกินกว่านั้นก็ไม่ใช่แต่จะอุบัติขึ้นในจําพวกสัตว์มีสองเท้าเท่านั้นทีนี้สัตว์สองเท้าก็มีตั้งเยอะใช่ไหมครับไก่เป็ดห่านก็สองเท้าเนี่ยนะครับหรือเทวดาก็สองเท้านะครับนี่ก็ถามว่าเออสัตว์สองเท้าจําพวกไหนในจําพวกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นบอกว่าเมื่อจะอุบัติในจําพวกมนุษย์นะครับจะอุบัติ เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงสามารถคือถ้ามาเกิดก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะคะเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถให้โลกทั้งมวลเป็นไปในอำนาจของพระองค์นะครับนะแต่ในอัตถกาถาอังคุตรนิกายท่านกล่าวไว้ว่าทรงสามารถให้สัตว์โลกสามพันโลกาธาตุเป็นไปในอำนาจเมื่ออุบัติขึ้นในจําพวกเทพจะอุบัติเป็นเท้ามาหาพรหม คือคือพูดถึงว่ามหาพรหมนี่นะครับจะครอบงำสาม0ันโลกธาตุนะครับนะผู้ให้สัตว์ในหมื่นโลกธาตุเป็นไปในอำนาจชนผู้เป็นกัปติยาการกหรืออารามิกชนย่อมถึงพร้อมแก่พระพุทธเจ้านั้นด้วยประการชนีเพราะฉะนั้นแม้แต่เท้ามหาพรหมนะครับก็เหมือนกับกับปติยะกาโลกเหมือนกับอารามิกเท่านั้นนะครับ ท่านจึงกล่าวไว้ในอธุธิยสูตรนั้นว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าสัตว์2เท้าทั้งหลายโดยประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดานั่นเองแต่ในพระสูตรนี้ตรัสไว้อย่างนี้โดยครอบคลุมไปถึงสัตว์ไม่มีที่เหลือนะครับคือสัตว์ไม่มีเหลือก็สัตว์ทั้งที่เนื่องด้วยอัตภาพมีประมาณเท่าใดนะครับหาเท้าไม่ได้ก็ตามมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามบรรดาสัตว์เหล่านั้นพระธัาาคคคธบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เลิศนะครับ บรรดาสิ่งที่บุคคลผู้ยอดเยี่ยมนะครับ ท, ที่เรียกว่าบุคคลบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยสมมุติสจัจจะเนี่ยนะที่เรียกว่าบุคคลบุคคลเนี่ยนะครับคาว่าบุคคลก็คือเป็นที่รวมของขันห้นั่นเองนะครับเป็นที่รวมของขันหนึ่งหรือขันขัน4หรือขันห้นะครับ เ, เรียกว่าบุคคลทีนี้ในบุคคลทั้งหมดเหล่านี้ผู้ที่จะยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีแล้วนะครับ แต่สมัยนี้ก็ผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอย่างยอดเยี่ยมก็ไปเที่ยวหาบูชากราไว้สิ่งโน้นบ้างสิ่งนี้บ้างไปตามสารพระภูมิทั้งหลายเป็นต้นบ้างไปไหวรบบ้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้บ้างนะครับเนื่องจากเขาไม่รู้คุณของพ ร, อระธรรคตอาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของเราก็คือศึกษาคุณของพระ อ, องค์ให้เข้าใจนะครับเป็นไปได้ก็ควรประกาศคุณของพระ อ, องค์ให้แก่สรรัตว์สัตว์ทั้งหลายได้รู้บ้างสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เสื่อมจากบุญนะครับก็จะไม่่เสือมจาก การนับถือบุคคลที่ประเสริฐที่สูงสุดในโลกขนาดนี้อีกนะครับแล้วก็แบ่งบุญให้ผมบ้างบอว่าอโคโววิปากโหโติเหมือนกันนะว่าท่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่จะได้รับวิบากที่เลิศเนี่ยคืออย่างไรความว่าความเลื่อมใสใดของผู้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศความเลื่อมใสนั้นนะเป็นสิ่งล้ำเลิศศรัทธานั้นเนี่ยล้ำมากนะครับ เป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นสิ่งสุดยอดนะนะเพราะฉะนั้นแม้ผลของความเลื่อมใสนั้นก็เป็นสิ่งล้าเลิศเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งสุดยอดเป็นสิ่งโอลานที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมองเงี้ยโอ้หศรัทธาที่ที่มีในเลื่อมใสในผู้เลิศเนี่ยนะศรัทธานั้นเนี่ยเลิศจริงๆนะครับแต่ความเลื่อมใสนั้นก็ยังแบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับสองอย่างคือแยกเป็น โลกิยะและก็แยกเป็นโลกุตระในสองอย่างนั้นจะว่าถึงผลของความเลื่อมใสที่เป็นโลกิยะก่อนนะถ้าเลื่อมใสโลกิยะด้วยมหากุสัญญาณสัมปยุทธ์เนี่ยนะครับทราบซึ้งในคุณของพระัตนะตายจริงๆเนี่ยอย่างถึงว่าพุทธคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้นะพระธรรมคุณเป็นอย่างนี้พระสังฆคุณเป็นอย่างนี้เลื่อมใสยอย่างนี้นะครับควรประกอบการประกอบผลพิเศษของความเลื่อมใสด้วยสามารถแห่งสุดบทท่านก็ยกพระสูตรมาเป็นตัวอย่างว่า ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าแล้วสิว่าเป็นสารณะชนเหล่านั้นจักไม่ไปอบายภูมิศรัทธาตัวนั้นเนี่ยนะครับไม่ทำให้ไปอบายภูมิพวกเขาละร่างมนุษย์ไปแล้วจักให้กายเทพบริบูรณ์นะครับคือจับปฏิสนที่เป็นเทวดาเพราะว่าปีติที่มีอยู่ในกายของผู้กำหนดว่าพุโทโธเนี่ยนะครับเป็นสิ่งประเสริฐกว่าปีติของชาวชมพูทวีปแม้โดยกสินนะครับ ช้างแสนเชือกมา้าแสนตัวรถเทียมด้วยมา้าแสนหนึ่งหญิงสาวผู้ตกแต่งด้วยแก้วมณีและแก้วกุลทนแสนคนย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกอันจำแนกแล้วสิบหกครั้งแห่งการย่างเท้าเก้าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาหรือว่าเดินไปหาสแสวงหาคุณของพระ อ, องค์ลักษณะนี้นะครับมีผลมหาศาลนะครับานี้เป็นจะเป็นคำที่ยักกล่าวกับ อนาถบินทิกาเศรษฐีนะครับนะครับนี่ไม่ไม่ธรรมดานะศรัท ธ, ธาที่มีต่อคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีผลมหาศาลนะครับอันนี้โลกิยะเท่านั้นนะข้าแต่ท่านจอมเทพนะเท้าเอ่อพัมหามุคลานะเราการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกนะครับคือเป็นสารณะนี่นะครับเป็นการดีแลเพราะเหตุแห่งการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแลท่านจอมเทพ สัตว์ทั้งหลายบางจําพวกในโลกนี้หลังจากตายแลว้วเพราะกายแตกสลายไปจะเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์อย่างนี้ว่าไ ง, งสัตว์เหล่านั้นจะประสบสิ่งอันเป็นทิพย์อย่างอื่นโดยฐานะสิบนะครับคืออายุทิพย์วันนะทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์นะครับแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะอันเป็นทิพย์ เพราะฉะนั้นความเลื่อมใสนั้นพึงทราบว่าอํานวยวิบากเป็นสุขในสัมปติภพนะครับพร้อมด้วยการให้อบายทุกข์หมุนกลับหมุนกลับก็คืออบายทุกขทั้งหลายที่จะพึงได้รับก็ไม่ได้รับนะครับเนื่องจากศรัทธาที่มีต่อคุณของพระรัตนตรัยนะครับตัวศรัทธานะครับเป็นตัวป้องกันอุ้มชูไว้ไม่ใช่อย่างอื่นนะก็ถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับพระพุทธเจ้าก็จะช่วยสัตว์ได้หมดเลย ถ้าถ้าหากว่าด้วยอนุภาพของพระ อ, องค์นะครับแต่นี้หมายถึงด้วยอนุภาพของศรัทธาที่ที่มีต่อในในตัวสัตว์นะครับที่มีต่อพระ อ, องค์อะนะเพราะฉะนั้นใจของเรานั่นแหละสําคัญที่สุดนะครับจะไปอบายหรือไม่ไปก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยเป็นใจที่มั่นคงตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระ อ, องค์นะครับใจอันนี้ก็จะสามารถทําให้พ้นจากอบายได้อันนี้ก็คือ ผลของศรัทธาที่เป็นโลกิยะนะครับถึงมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็จะเลิศด้วยอายุวันนะสุกยศเป็นต้นนะครับรกระวัลเลิศด้วยกามคุณทั้งหลายส่วนความเลื่อมใสที่เป็นโลกุตระนะครับให้วิบากที่เป็นสามัญญผลคือให้วิบากเป็นโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนะครับถ้าวิบากของโลกุตระศรัทธานะครับ แล้วก็สามารถยังวัตถุกคให้หมุนกลับด้วยการห้ามวัตถุกคเอาไว้และความเลื่อมสายแม้ทั้งหมดนี้จะให้วัตถุกคหมุนกลับได้ในสัมปรายภพทีเดียวนะครับนั้นศรัทธาที่มีต่อคุณของพระตนะตรัยเนี่ยนะครับช่วยปกปิดอบายได้หมดนะครับสมจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสมัยใดอรารยสาวกระลึกถึงศรัท ธ, ธาของตน สมัยนั้นจิตของท่านจะไม่ถูกราคะกลุ่มรุมจะไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมจะไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเลยสมัยนั้นจิตของท่านจะดำเนินไปตรงทีเดียวผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วความปราโมทจะเกิดขึ้นผู้มีปราโมทเกิดแล้วนะครับปีติจะเกิดขึ้นรู้ชัดนะครับตลอดจนถึงว่าเป็นฐานของการบรรลุมรรคผลในชั้นสูงนะครับคือ ปีติก็จะทำให้เกิดปัสสัตทิปัสั ท, สทิก็จะทำให้เกิดสุขสุขก็จะทำให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะทำให้เกิดยะถาภูตยา น, นัทสนะยะถาภูตยานัทสนะก็จะทำให้นิพิทานะครับนิพิทาก็เกิดวิมุตติวิมุตติยา น, นัทสนะจนถึงปัจเวคขณะยานเกิดว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนะครับคือสามารถเจริญ โดยที่อาศัยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยเป็นบาตรนะครับสามารถเจริญสมถาวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระลึกถึงศรัทธาของตัวเองนะที่มีต่อคุณของพระรัตนะตรัยนะครับระลึกถึงศรัทธาที่มีต่อคุณพระพระตนตรัยเพราะว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นดีในคุณของพระองค์ก็จะทําให้มี ศีลนะครับผู้มีศีลก็แสดงว่ามีหิริโอตปะผู้ที่มีหิริโอตปะแสดงว่ามีสุตตะคนที่มีสุตะแสดงว่ามีจารค่าคนที่มีจารค่าแสดงว่ามีปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะพอกพูนภัยบุญด้วยอริยสัพย์ทั้งหลายงนั้นชีวิตของคนที่ภัยบุญด้วยอริยสัพท์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นคนที่ไม่ขัดสนนะครับไม่ใช่กำพร้านะครับไม่ใช่คนขัดสนนะครับถ้ามีศรัทธา มีศีลมีฮิริโอตปะมีสุตตะมีจาระและมีปัญญานะครับชีวิตเขาไม่เป็นหมันแล้วนะครับไม่ฟาวแล้วชาตินี้นะครับถ้ามีกุศลธรรมเหล่านี้นะแต่ถ้าไม่มีก็สรีบแสวงหาซะเรียบหน่อยนะครับเพราะว่าใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะภาคเพียรนะครับพยายามนะครับด้วยเรียวแรงด้วยเรียวแรงของบุรุษเลยนะครับด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบันของบุรุษนะครับอย่าเตะเตะเตะนะครับไม่ได้เรื่อง啊 อันนี้กล่าวถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับว่าวิบากที่เลิศจะให้ผลนะทีนี้พระธรรมบ้างว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสังคตะธรรมก็ดีอสังคตะธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอะไรตัดซึ่งวัตะสิ้นไปแห่งตัหาสิ้นกำหนัดดับ นิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมเหล่านั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมสายในวิราคะธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมสายในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมสายในธรรมะอันเลิศนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าธรรมะนะครับบทว่าสังคตาความว่าธรรมะทั้งหลายที่ ปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าปรุงแต่งแล้วคือธรรมะที่มีปัจจัยนะครับธรรมะที่มีปัจจัยก็เช่นบ้านช่องห้องหอเรื อ, อสวนไร่นานะครับถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้ น, นครับเช่นพวกรถพวกเรือแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ถูกปรุงแต่งใช่ไหมเป็นที่ปรุงแต่งขอ ง, ข อ, งอวัยวะน้อยใหญ่มีตันหาวิชากรรมเป็นต้นนะครับมาตกแต่งร่างกายมีอาหารข้าวสุกนมสดเป็นต้นมาปรุงแต่งประกอบปัจนี่แหละครับ แม้กระทั่งความคิดผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาพวกนี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่งขึ้นมาทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ถูกปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่งนะครับถามว่าไอ้ที่ไม่ถูกปรุงแต่งคืออะไรคือทำทั้งหลายทั้งเหตุทั้งปัจจัยอะไรอะไรไม่ได้ทําไม่ได้ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาสังคตะในทีน่นี้หมายเอาพระนิพพานนะครับที่หาปัจจัยไม่ได้ เพราะในบรรดาสังคตาธรรมคือธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาสังคตาธรรมธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานประเสริฐที่สุดนะครับนิพพานประเสริฐที่สุดถ้าจะว่าก็ประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าอริยมรรคถามว่าทำไมจึงประเสริฐกว่าเพราะอริยมรรคก็ไม่เที่ยงนะครับนิพพานเที่ยงเอาทีอริยมรรคเนี่นะครับเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงนิพพานก็เป็นสุขก็ต่างกันนะครับแต่ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันนะครับ ธรรมทั้งหลายชื่อว่าอสังขตะเนี่ยนะครับเพราะขัดแย้งต่อสังขตะธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคํานี้จึงเป็นผูพจน์บทว่าวิราโคเตสังอคัมภ์ขายติความว่าบรรดาสังขตะธรรมและอสังขตะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอสังขตะธรรมกล่าวคือวิราคะบัณฑิตเรียกว่าเลิศคือประเส ร, ร, ริฐได้แก่สูงสุดนะครับนิพานเนี่ยนะคือหมายความว่าล้าเลิศเพราะเป็นสิ่งละเอียดสุขุมตามสภาวะนั่นเองเพราะเป็นสิ่งที่สงบและ ประณีตกว่าเพราะเป็นสิ่งลึกซึ้งเป็นต้นนะครับและเพราะเป็นความสั่งเมาเป็นต้นนะครับเป็นที่สังเมาใช่ไหมครับว่าเป็นธรรมะที่สิ้นวั ต, ตะนะครับถ้าไม่รู้แจ้งพระนิพพานนี่แหละครับจึงเวียนวนแหวว่าอยู่ในสังสารวัตรเลนะครับไม่มีเลิกมีราไม่มีจบมีสิน้นคําว่ามัทนะมัทโนเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานเหมือนกันจริงอย่างนั้นนะครับความเมาทุกอย่างนะครับ เช่นเมาพ่อมานะเมาพ่อมาณะก็มานะเพราะสําคัญว่าเป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะเป็นชายเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือเมาในความเป็นบุรุษเป็นต้นจะสางไปคือถูกทําลายเพราะมาถึงพระนิพพานนั้นนะครับมาณะจะสําคัญว่าเลิศกว่าเขาต่ำกว่าเขาเลวกว่าเขาเสมอเขามาณนะชนิดไหนก็ช่างเลยครับถ้าแทงตลอดพระนิพพานแล้วจะสิ้นมาณะนั้นทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่ารูปนามขันธานั่นแหละครับเป็นที่เปรียบนะครับ ใช่ไหมรูปนามขันห้านี่แหมสําคัญเหลือเกินว่ารูปนี้ดีกว่าเขาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่ดีกว่าเขาเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงอ่ะทีนี้พอแทงตลอดพระนิพพานที่เที่ยงเข้าเลยเลิกเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปเปรียบนะครับพอเจอของที่ดีกว่าเลยไม่ต้องเอาไปนะครับเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงไปเปรียบกันทําอะไรนะครับถ้าเอาขันห้าเปรียบกันก็เหมือนกันกบประกวดศพงามว่างั้นศพไหนงามกับศพไหนเท่านั้นเองไม่ไหนเรื่องในรา่าอะไรนะครับ